หนังสือเรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยพระพรมกุณาพรปออประยุตโตภาคหนึ่งมัเชเจนธรรมะเทศนาหลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติหรือธรรมที่เป็นกลางตอน 4. ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร บทที่9หลักการสำคัญของการบรรลุนิพพานความเบื้องต้นเริ่มด้วยคำถามเลยว่าชื่อบทนี้ที่ว่าหลักการสำคัญของการบรรลุนิพพานนั้นถามว่าคำว่าบรรลุใช้กับนิพพานดีหรือไม่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 การทำให้แจ้งแปลตามอัธกถ า, าว่าการทำให้ประจักษ์หมายถึงประสบเองคำว่าการทำนิพพานให้แจ้งฟังดูไม่สู้สะดวกสำหรับคนทั่วไปจึงเลี่ยงมาใช้คำว่าบัรลุนิพพานแต่ตอนนี้ไปบางทีจะใช้คำว่าการประจักษ์แจ้งนิพพานแทรกไปบ้างเพราะดูเหมือนจะหลีกความเข้าใจผิดได้ดีกว่าคำว่าบัรลุนิพพาน ส่วนคำว่าบรรลุนั้นตรงกับบาลีว่าอธิคมะและปัติอธิคมะมีรูปกริยาเป็นอธิคัจติส่วนปัติมีรูปกริยาและคุณนามที่ใช้กับนิพพานคือปัตตะทั้งสองคำนี้พบที่ใช้กับนิพพานหลายแหง่งแต่ก็รองลงมาไม่มากเท่าสัจจิกริยาและอธิคมะและปฏติสองคำนี้ ส่วนมากใช้ในคำร้อยกรองคือคาถาคำนอกจากนี้มีใช้กับนิพพานเพียงประปรายและส่วนมากมาในคำร้อยกรองคือคาถาเช่นกันได้แก่รูปต่างๆของคำกริยาต่อไปนี้คืออาราเทติแปลว่าให้สำเร็จผูสติแปลว่าสัมผัสหรือถูกต้องคัจจติแปลว่าถึงรัตติแปลว่าได้ นอกจากเรื่องของคำศัพที่ใช้กับนิพพานแล้วมักมีการสงสัยหรือถกเถียงกันในหมู่ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมว่าผู้จเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวจะบรรลุนิพพานหรือสำเร็จอรหัตผลโดยไม่อาศัยสมถะเลยได้หรือไม่ผู้จะบรรลุนิพพานจะต้องได้ฌานบ้างหรือไม่การสำเร็จอภพิน ญ, ญาหกอาศัยแต่เพียงจะตัฌานก็เพียงพอ ไม่ต้องได้ครบสมาบัติแปดคือไม่ต้องได้อรูปฌานด้วยใช่หรือไม่การจะได้อาสวัคยญาณบรรลุนิพพานจำเป็นต้องได้ปุเพนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตาญาณเป็นพื้นฐานก่อนหรือไม่อาสวัคยญาณคือญาณที่สิ้นอาสวะปุเพนิวาสานุสติญาณคือญาณที่ระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในก่อนจุตูปปาตญาณ คือญาณยังรู้การที่หมู่สัตยุติและอุบัติไปตามกรรมนอกจากนี้ยังมีการสงสัยอีกว่าในฌานบำเพ็ญวิปัสสนาได้หรือว่าต้องออกจากฌานก่อนจึงพิจารณาสังขารได้ได้มักผลก่อนแล้วจึงเจริญสมถะเพิ่มเติมจนได้ฌานสมาบัติได้หรือไม่บรรดาคำถามเหล่านี้บางข้อเป็นเรื่องของหลักการสาคัญของการตรัสรู้ หรือการประจักษ์แจ้งนิพพานโดยตรงบางข้อเป็นเพียงเกี่ยวพันบางแง่บางข้อได้ตอบไปแล้วบางส่วนเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่ว่าจเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวโดยไม่อาศัยสมถะเลยได้หรือไม่ได้ตอบแล้วในบทที่8ตอนที่ว่าด้วยสมถะและวิปัสสนาข้างต้นต่อไปนี้จะมุ่งตอบข้อสงสัยที่เกี่ยวกับหลักการสาคัญของการตัดสู้เป็นหลัก